คนนี้ก็เป็นเป็นเคยเป็นนักแสดงเคยเป็นดาราเคยเป็นนางแบบไนแบบ ก, ก็ดังในสมัยนั้นเขาว่าอย่างนั้นะว่าดังในสมัยนั้นก็คือสิบกว่าปีมาแล้วตอนนี้ก็เกือบ4ี่สิบแล้วก็มาเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์แล้วก็ทำธุรกิจ หลายอย่างก็ อ, อ่านบทสัมภาษณ์เขาดูก็รู้สึกว่าเวลาที่เขาบอกว่าอะไรที่ไม่สุขก็ไม่ทำเนี่ยให้ทำที่ว่านี่ก็หมายถึงการเสรมากกว่านะเช่นเวลากินอาหารก็ต้องไปกินร้านอาหารที่ที่รู้ที่อร่อยอร่อยในนี่คือว่ามีระดับนะ อย่างเขาอวดว่าเพืเขาไปกินอาหารในร้านที่ติดดาวได้ดาวมิชลินเนี่ยตะเวนไปกินนามที่ต่างๆหลายประเทศว่าเกินพันดาวแล้วดาวมิชลินี่หายากนะได้หนึ่งดาวนี่ก็ถือว่าโก้แล้วสามดาวนี่ก็เรียกว่าอัศจรรย์นะ ก็บอกเขาได้เก็บสะสมดาวมาเกินพันจนกระทั้งเลิกนับแนละ้วก็หมายความว่าไปกินร้านอาหารเที่ได้ดาวมิชลินก็หลายร้อยล้านนะถ้าร้านละหนึ่งดาวก็ประมาณพันพันร้านแนละ้วเวลาไป เวลาไปพักตามโรงแรมก็ต้องพักโรงแรมห้าดาวห้าหรือหกดาวนะเขบอกเึ่งรั้ว ม, มีหกดาวด้วยแต่่อน ร, รั้ว ม, มีแค่ห้าดาวไม่มีหกดาวลวเมืองไหนไม่มีโรงแรมห้าหกดาวนี้ก็ไม่ไปพักนะอันนี้หมายถึงต่างประเทศ เสื้อผ้าก็ต้องเป็นพวกของแบรนด์เนมนะราคาแพงหรูเดินทางด้วยเครื่องบินก็ต้องนั่งเฟนะิร์สคลาสเนี่ยฉันธุรกิจไม่นั่งนะเพราะว่ามันมันนอนไม่ได้แล้วนะต้องเฟิร์สคลาสไปเลยชั้นหนึ่ง <c oughs> ก็ไม่รู้เขาเอาเงินมากมายมาจากไหนนะแต่ว่า อันนี้แหละคือความหมายที่ว่าถ้าอะไรที่ไม่สุขก็ไม่ทํานะแล้วก็ไอ้ทํของเขาคือว่ากินเที่ยวเสพนะหรือว่าแต่งตัวมากกว่าเราเคยพูดว่าเนี่ยอาหารที่ไม่อร่อยนี่ไม่ควรมีในโลกนะ อาหารนี่มันต้องอร่อยและอร่อยของเขาก็ต้องเป็นในร้านที่มันมีระดับนะก็ดูก็น่าจะมีความสุขนะเพราะว่ากินของดีๆนอนโรงแรมนะแพงๆนะใส่เสื้อหรูๆนะแต่ว่ามันก็น่าสงสัยว่าจะ มีความสุขไปตลอดได้อย่างไรนะเพราะว่าเวลาเจอโรงแรมสามดาวก็นอนก็ไม่สุขแล้วนอนไม่ได้โนระงแรมสามดาวเจอร้านอาหารน่าจะติดดาวมิชลินแต่ว่าไม่ถูกปากก็ก็ไม่ชอบในบทสัมภาษณ์ก็พูดถึงว่าเนี่ยร้านพวกเนี่ยดังๆเนี่ยติดดาวได้ดาวมิชลินแม่หลายก็มี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 คนที่มีเงื่อนไขกับตัวเองมากๆเนี่มันจะมีความสุขได้อย่างไรนะเพราะว่าไอ้เงื่อนไขของตัวเองก็เป็นมาตรฐานที่สูงซะด้วยแล้วมันจะมีจะไปเจอที่ที่มันมีมาตรฐานสูงๆได้ทุกทุกที่ได้อย่างไรนะในบทสัมภาษณ์ก็ก็พูดถึงความไม่พอใจของเขาเวลา ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เจอของแม่อร่อยเจอโรงแรมที่มันห้องมันแคบตัวไปเขาก็เจอทุกอยู่เรื่อยๆนะแต่เขาจะไม่สังเกตนะเขาจะรู้สึกว่าเนี่ยเขามีแต่ความสุขนะถึงกับบอกว่าผมมั่นใจว่าผมสุขที่เป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลก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 อาจจะยังไม่แสดงอาการแต่มันก็คงเริ่มเป่างเขาแล้วละเพราะว่าคนที่สนใจเสื้อผ้านหน้าผมเนี่ยอย่างเขานี่อายุพอใกล้สี่สิบมันก็เริ่มความชราก็เริ่มปรากฏเรี่ยวแรงก็กำลังวังชาก็เริ่มน้อยลง เราก็จะว่าความสุขที่เขาที่เขามีนี่มันมันไม่เที่ยงความสุขที่เขาได้เสนนี่มันก็เป็นของชั่วคราวที่จริงการที่เขาจะมีเงินมีทองมาหาความสุขแบบนี้มันก็มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะก็ต้องทำงานหาเงินนะก็ต้องเหนื่อยจะเที่ยวตลอดเวลาก็ไม่ได้ก็ต้อง ทำมาหากินต้องมาเจอสิ่งที่ขัด อ, อกขัดใจในเวลาทำ ร, รายการหรือว่าเวลาบริหารธุรกิจต้องเจอรูปน้องต้องเจอผู้ลงงานที่ไม่ถูกใจ น, นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ก็ต้องเจอนะเพราะว่าไม่ง้นไม่มีเงินมากมากปาไปหล่อเลี้ยงชีวิตแบบวิธีชีวิตแบบอู้ฟู่แบบนั้น แต่เขาก็ยังไม่ไม่ตระหนักนะว่าช่วงเขานี่มันก็มีความทุกเกิดขึ้นเขาตลอดเวลาแล้วก็ยิ่งข้างหน้านี้ยิ่งต้องเจอมากขึ้นนะเพราะว่าความแก่ชราก็ดีความเจ็บความป่วยก็ดีความพัดพลาดสูญเสียก็ดีนะมันมันรออยู่นะ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 สิ่งเราทางตาทางทางลิ้นหรือสิ่งเราทางกายทางหูได้ไมั้งต้องฟังเพลงที่มันเพลงไพเราะ้วความสูขที่คนส่วนใหญ่รู้จักเนี่ยมันก็มีอยู่อย่างเดียวนะคือความสูตที่เกิดจากการเราจิกกตกระตุ้นใจผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกาย กินอาหารที่อร่อยฟังเพลงที่ไพเราะดูหนังที่มันตื่นเต้นได้เจอสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจเวลาไปเที่ยวตามที่ต่างๆให้พวกนี้เป็นเรื่องการเร้าจิตกระตุ้นใจเท่านั้นเลยเพียงแต่ว่ามันเร้าในระดับที่แตกต่างกัน อย่างเด็กๆนี่ก็อาจจะชอบสิ่งเราที่มันชัดๆนะหรือว่าสิ่งเราที่มันเป็นแบบง่ายๆเช่นการ์ตูนของหวานอะไรเงี้ยนะพอโตขึ้นมาหน่อยนะมีรสชนิยมระเมียบระไม้มากขึ้นสิ่งล่มก็ระเมียบระไม้ในความหมายที่ว่ามีความซับซ้อนต่างกันแต่ก็ยังเป็นเรื่องความเป็น เรื่องของการเราจิตกระตุ้นใจตอนหลังอาจจะพอได้เสร็จมากๆก็ชอบเบือ่อแล้วอยากจะไปทําอะไรที่มันตื่นเต้นมากขึ้นเช่นขี่รถซิ่งขับรถแข่งหรือว่าปีนเขาปีนเขาโดยที่ใช้มือเปล่าแล้วก็มีเรียกว่าแฟชั่นนะ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 ถ้ามีปัญญาไปถึงเขาจอยเขาเอเวรสก็ไปนะแต่ไม่มีปัญญาก็ไปแค่ปีนเขาก็แล้วกันก็เป็นความตื่นเต้นอีกแบบหนึ่งนะเพราะว่ามันอากาศหนาวเป็นที่สูงแล้วก็ทัศนียภาพเบื้องวางอันนี้คือความสูงที่ผู้คนแสวงหาเนะี่ยมันเป็นลักษณะการที่ต้องมีสิ่งเราสิ่งเราทางตาหูจมูกลิงกาย คนสัญไม่รมันมีความสุขประเภทหนึ่งความสุขที่เกิดจากใจที่สงบมันตรงข้ามความสุขประเภทแรกความสุขประเภทนี้จิตมันถูกเล้าเท่าไหร่ก็ยิ่งสนุกและยิ่งยิ่งเป็นความสุขโดยเพระทางเพศนี่มันเป็นเรื่องการเร้ามา ก, การเล้าทางตาการเล้าทางกายแต่ว่าอีกอันความสุขประเภทหนึ่งมันเป็นเรื่องของตรงข้ามเลย คนละทางคือว่าสงบยิ่งสงบเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขนะเช่นการได้ไปอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติที่สงบสงดนะัดหลายคนก็ชอบแบบนั้นเพราะว่ามันให้ความสุขที่ละเมียดละไมหรือถ้าฟังเพลงก็เป็นเพลงที่สงบสงบนะนเพลงที่ ไม่ต้องมีโนต้ตมากนะแต่ว่ามันค่อยๆกล่อมใจให้ให้ให้นิ่งลงนิ่งลงนะคนส่วนใหญ่ไม่รู้จักความสุขประเภทนี้ซึ่งเป็นความสุขที่ละเมียดละไมามากกว่ารันนี่มากกว่าอย่างผู้ชายคนที่ว่านี่ยนะชื่อเขาชื่อเกลือไกรมั้ง ก็ความสูงเข้ามันก็มีแต่เรื่องการเสกนะทั้งนั้นเลยเราก็ต้องไล่ตามค่านิยมนะความสูงที่เกิดจากความสงบนะอันนี้นี่ มันมันไม่ต้องใช้เงินก็ได้นะเพราะว่าอยู่ที่ไหนมันก็สงบได้แต่ใหม่ๆเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินเหมือนกันนะโดยเว่าสมัยนี้เพราะว่าที่สงบสงัดมันหายยากแล้วอยู่ในเมืองก็มีแต่เสียงก็กทึกอยู่ในบ้านติดแอ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 สิ่งที่มากระทบใจทําให้กระเพื่อมนหลายคนก็ก็ต้องพยายามหลีกหนีออกนะออกห่างจากสิ่งที่จะมาทําให้ใจกระเพื่อมนะแล้วก็ขณะเดียวกันก็ไม่มีเสียงรบกวนจากข้างนอกก็ต้องพากันไป ออกชนบทไปอยู่ป่าไปข้างแรมในรีสอร์ทรนะิมทะเลหรือว่าในที่ที่กไกลๆมาวัดก็ก็มีเยอะไอนะ้พวกนี้ก็ต้องใช้เงินใช้ทองนะแล้วก็หลายแหงก็แพงซะด้วยนะความสงบเหล่านี้มันกลายเป็นเรื่องที่ ที่ต้องใช้เงินแต่นั่นเป็นความสงบนะจากสิ่งแวดล้อมเป็นความสงบทางกายภาพจริงเนี่ยถ้ารู้จักหาความสงบที่ใจนะถึงแม้ว่าอยู่ที่ไหนมันก็สงบอยู่ที่ไหนก็สงบได้ถ้าว่ารู้จักพบหรือว่าทำใจให้สงบอันนี้เป็นความสงบที่ไม่มีเงื่อนไขามาก คนส่วนใหญ่นี่รู้แล้วนะ่ะคนจำนว น, น, น, นมากไม่มีคนจำนวนมากคนจํานวนหนึ่งรู้แล้วนะว่าความสงบนี่มันดีกว่าความสุขที่เกิดจากการเราจริตกระตุ้นใจนะแต่ว่าก็ยังต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมต้องดิ้หลนสแสวงหาสิ่งสถานที่ที่มันไม่มีเสียงรบกวนแต่มาถึงแล้ว จิตก็อาจจะยังกระเพื่อมอยู่ก็ได้เพราะว่าทิ้งโทรศัพท์มือถือไม่ได้ก็ต้องเปิดดูโทรศัพท์เปิดดูข้อความเปิดดูไลน์เปิดดู Facebook เอาใจกระเพื่อมอีกก็ต้องไปที่ที่มันไม่มีสัญญาณแต่พอไปถึงก็กระซับกระใสแบบหนึ่งอยากจะรู้เรื่องราวของครอบครัว ว่าเป็นอย่างไรอยากจะติดต่อพูดคุยโทรศัพท์กับเขาอยากจะรู้ข้อมูลข่าวสารอันนี้ก็ใจก็ว้าวุ่นอีกนะเพราะว่ามันเสษติดเสษติดข้อมูลข่าวสารเสพติดพวกเทคโนโลยีอันนี้ความสุขของผู้คนมันกลายเป็นเรื่องยากแม้ว่าจะหา ความสงบใจก็ยังไม่เจอเพราะว่ามันเป็นความสงบที่ยังมีเงื่อนไขเยอะคือต้องอาศัยสิ่งแวดลอ้อมแต่ถ้าเกิดว่าเรานะรู้จักหาความสงบที่ใจหรือว่ารู้จั ก, จกทําใจให้สงบนะไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยนะให้ความสุขก็กลายเป็นเรื่องง่ายมากขึ้น คนทุวันนี้ก็ยังยังยังต้องอาศัยเงื่อนไขามากมายนะเป็นเงื่อนไขาจากสิ่งแวดล้อมจะเป็นสถานที่หรือว่าผู้คนก็ตามจะสงบได้ก็ต้องไปที่นั่นไปที่นี่หรือจะสงบได้ก็ต่อเมื่อผู้คนแวดล้อมอพูดดีทําดีกับเรา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 ไม่มีอาจารย์คนหนึ่งวิจารอาจารย์คนหนึ่งสมัยสี่สิบปีที่แล้วเคยมาเคยเป็นนักศึกษาเรียนปริญญาเอกที่เอเมริกาแล้ววันหนึ่งทำอะไรก็ติดต่อมาบอกว่าขอให้ช่วยเป็นอุปทาพระธเบตดลหนึ่งได้ไหมเห็นเป็นคนเอเชียด้วยกันสมัยนั้นพระธเบตดลยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักนของ คนอเมริกันหรือคนฝรั่งสมัยนั้นทาราลมมะก็ยังไม่ค่อยดังมากสี่สิบปีที่แล้วไม่เหมือนสมัยนี้ตอนเด๋ยวนี้นี่ร้านหนังสือใหญ่ๆ ห, หรือว่าแม้กระทั่งแผงร้านหนังสือตามสนามบินก็จะมีหนังสือเกี่ยวกับทิเบตพุทธศาสนาทิเบตหนังสือของทาราลมมะหรือว่าพระทิเบตเนี่ย พี่แยะไปหมดแต่สมัยก่อนนี่ยังไม่ถึงขนาด น, นั้นก็ไม่รู้วิธีต้อนรับพระธิเบตก็ให้เห็นว่าเป็นคนไทยเอเชียด้วยกันนักศึกษาคนนี้ก็เลยก็เลยรับนะเป็นอุปถากให้ถึงแม้เป็นชาวคริสตนะ์แต่ว่าก็ใจกว้างก็อยู่กับพระธิเบสามสี่วันก็ประทับใจนะท่าน เป็นคนที่สงบแต่ว่าเป็นคนที่สดชื่นเรียกว่าเบิกบานพอมาสุดท้ายเนี่ยก่อนจะกลับก็นักศาก็ถามพระทิเบตว่าเนี่ยถ้าผมเรียนจบแล้วขอจะไปอยู่วัดท่านได้ไหมพระทิเบตก็ถามว่าได้ แต่ก็ถามว่าทำไมล่ะนักสาก็บอกว่าอยากจะไปหาความสงบที่นั่นอยู่กรุงเทพยอยู่เมืองไทยมันไม่ค่อยสงบพระจิเบยก็ตอบว่าเนี่ยถ้าคุณหาความสงบที่กรุงเทพไม่ได้นะไปวัดอัตมา ก, ก็ไม่เจอเหมือนกันคมพูดนี้ทำให้ นักษ า, <ส>าได้คิดเลยนะพอเรียนจบปริญญาเอกกลับมาเมืองไทยก็ก็เลยอยู่กรุงเทพนะเป็นอาจารย์สอนที่จุลาก็ไม่ได้ไม่ได้เดินทางไปหาพาธิเบตยอย่างที่เคยคิดนะไอเป็นเพราะว่ารู้ว่าความสงบนี่มันมันไม่ได้อยู่สถานที่นะหรือผู้อย่างก็ครอว่าขอสอนมาอยู่ทุกที่อะ่ะกรุงเทพก็มีความสงบให้ ให้สัมผัสได้มันไม่ใช่เป็นความสงบจากสิ่งแวดล้อมนะแต่มันเป็นความสงบที่ใจมากกว่านะแล้วความสงบที่ใจมก็เกิดขึ้นนะจากการที่มีสมาธนะิสมาธินี่ก็ทำให้ใจสงบได้โดอเพราะเวลาปิดตานะอยู่ในห้องแอร์ ไม่รับรู้อะไรใจก็ยิ่งสงบเร็วแต่ออกมาข้างนอกเจอเสียงเจอผู้คนก็อาจจะว้าวุ่นใหม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันยังเป็นความสงบที่มันยังไม่ไม่ไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่เป็นความสงบที่มีเงื่อนไขเยอะแต่ถ้ารู้จักทำสมาธิในทุกที่นะมันก็สงบได้นะอยู่บนรถเม นะหรือว่าอยู่ในที่ทำงานรู้จักทำให้ใจสงบก็เป็นไปได้ความสงบวอญญางก็เกิดจากการที่มีสตินะรู้ทันรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์เวลาใจกระเพื่อมก็รู้ว่าใจกระเพื่อมนะเวลาหงุดหงิดก็รู้ว่าใจหงุดหงิด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 อย่างที่เราสอนเมื่อสักครู่เนี่ยขันธะเป็นของหนักเนื้อการแบบคือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกของหนักนี่มันไม่ใช่เป็นของหนักที่เป็นวัตถุสิ่งของเท่านั้นนะของหนักที่มันเป็นอารมณ์ก็ได้เมี่ออารมณ์เกิดขึ้นไปแบกมันก็ก็ทุกข์และที่แบกเพราะไม่รู้ตัวเพราะลืมตัวนะแต่พอมีสติ ป, ปุ๊บเนี่ยความลืมตัวมันหาย มันก็เลิกแบกมันก็วางมันก็วางเท่านั้นแหละอารมณ์เนี่ยถ้าไม่แบกมันมันก็มันก็ไม่ทำให้เกิดความทุกข์นะใจที่ว้าวุ่นเพราะมีความคิดและอารมณ์มารบกวนเนี่ย mm. ก็เพียงแต่มีสติรู้ทันมันก็ ทำให้ดับไปได้ไม่ต้องไปกดข่มมันนะเคยมีคนถามหลวงปูด่ดูล น, นะว่าหลวงปู่ทำไมตัดความโกรธให้ขาดนะท่านตอบว่าไม่มีใครตัดความโกรธให้ขาดได้หรอกนะมีแต่รู้ทันมันเมื่อรู้ทันมันมันก็ดับไปเองอะไรดับก็คือความโกรธ ด, ดับดับไปเอง ที่จริงคือว่ามันก็คือวางมันนั่นวางมันลงนั่นแหละพอวางมันลงมันก็หายไปหรือไม่ปรุงแต่งต่อมันก็ดับไปเองเมื่อตอนที่เราไม่มีสติเนี่ยใจก็ปรุงแต่งไปเรื่อยๆพอเราเชนพอเราตืถึงใครบางคนเราก็เกิดความไม่พอใจพอตถึงเข้าต่อไปเรื่อยๆก็ไปขุดคุยความไม่ดีของเขามามันก็ยิ่ง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 มันก็หยุดคิดเลยนะอารมณ์มันก็หายไปเพราะว่ามันเกิดขึ้นได้เมื่อมีความคิดอย่างตอนนี้จะบอกให้โกรธเนี่ยถ้าจะบอกให้โกรธนี่ล้วก็คงโกรธไม่ได้นะเพราะยังไม่ได้คิดถึงใครบางคนหรือนึกถึงเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้ไม่พอใจจะโกรธได้นี่มันต้องคิดก่อนนะคิดถึงคนบางคน ที่ทำให้เราไม่พอใจพอคิดแล้วเนี่ยมันก็ค่อยเริ่มแล้วเริ่มขุนมัวแล้วคิดต่อไปคิดต่อไปก็ความขุนมัวก็เพิ่มมากขึ้นกลายเป็นความไม่พอใจคิดไปอีกคิดไปอีกก็กลายเป็นความโกรธไปเลยมันต้องมีจุดสตาร์ทนะจุดเริ่มต้นนะความโกรธเนี่ไม่ใช่ว่าจะว่าให้โกรธเนี่ยเกิดโกรธได้ทันทีมันไม่ใช่แบบกดปุ๊บติดปั๊บนะมันต้องมีการปรุงแต่งก่อน ก็มีการปรุงแต่งด้วยการคิดย้อนระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตถึงจะค่อยโกรธได้ความโกรธไม่ใช่ตัวตนก็เพราเหตุนี่แหละคือมันไม่ได้เกิดขึ้นเองมันต้องมีเหตุมีปัจจัยนี่เถอว่าเราเรามีสติเนี่ยเราไม่ไม่ไม่เผยคิดปรุงแต่งไปเนี่ยความโกรธมก็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 ถ้าเรารู้จักมีสติรู้ทันความคิดและอารมณ์มราก็ทำให้ใจเราสงบได้อันนี้เรา่สงบเพราะรู้นะสงบเพราะรู้คือรู้ทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจซึ่งเป็นตัวทำให้ใจเนี่ยไม่สงบพอรู้ทันมันมันก็ดับไปเองความสงบก็กลับมา อยู่คุงเทพก็สงบได้อยู่ที่ไหนก็สงบได้อันนี้คือสิ่งที่พระธี่เบรท่านอาจจะอยากจะบอกอาจารย์คนนั้นสมัยยังเป็นนักศึกษาความสงบใจที่คนส่วนใหญ่คิดถึงเนี่ยนะมันเป็นความสงบเพราะไม่รู้เช่นต้องมาอยู่วัดนะจะได้ไม่ต้องได้ยินเสียง หรือก็ทึกคึกโครไม่ต้องยิงไม่ต้องจะได้ไม่ต้องยินได้ยินเสียงบ่นของคนในบ้านจะได้ไม่ต้องไปรับรู้เรื่องพ่อเรื่องแม่ที่อชอบทะเลาะเบาแวงกันแต่สงบได้ต้องออกไปที่ที่ไม่ต้องไปรับรู้อะไรหรือถ้าอยู่บ้านก็ต้องอยู่ในห้องพระนะไม่ต้องรับรู้อะไรปิดโทรศัพท์นะ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 แล้วยิ่งถ้าสตินี่มันมันนําเราใช้จนเราใช้เพื่อให้เกิดปัญญาก็คือใช้สติดูกายและใจนะจนจกระทั่งเห็นความจริงของกายและใจนะเรียกว่าสัจธรรมนั่นแหละนะอริจังทุกขงังอนัตตาจนกรทังใจมันมันยอมมันยอมรับนะว่าเออไม่มีอะไรที่เที่ยงไม่มีอะไรที่เป็นสุขไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนอย่างแท้จริง ใจมันยอมลงให้กับสัจธรรมความจริงที่ปรากฏหรือที่แสดงออกมาทางกายและใจเนี่ยทางรูปและนามเพราะใจมันยอมลงให้ยอมรับความจริงปัญญาก็เกิดนี่พอปัญญาเกิดแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นหรือว่าถึงใจยึดก็ยังก็ยึดแบบเบาๆน มันก็เกิดความสงบได้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าไอ้ที่ทุกข์ใจเขาไปแบกเอาไว้แล้วที่แบกเขาไปคิดว่ามันเที่ยงมันเป็นมันเป็นสุขมันเป็นตัวตนนะเป็นแบกเอาไว้แบกแล้วเราบอกว่าของกูของกูของกูไอก้การแบกของของคนเราเนี่ยก็แบกเพราะว่าไปเชื่อเป็นของกูของกูมันจะมีตัวกูของกูไ้ อยู่เบื้องหลังอยู่เสมอของการแบกก็คือยึดมั่นถือว่าเป็นตัวกูของกูเนี่ยแต่ถ้ามีปัญญาเห็นเนะี่ยความจริงมันก็ไม่มันก็ไม่แบกแล้วพอไม่แบกก็เบาเบาก็สบายก็เรียก ว, ว่าเป็นความสงบแบบหนึ่งมีอะไรมากระทบ ก, กับทรัพย์สมบัติก็ไม่ทุกนะเพราะว่าไม่ได้ยึดมั่นถือว่าเป็นของกูมีอะไรมา ผลกรทบกายก็ไม่ทุกนะเพราะว่าไม่ได้ยึดมาว่ากายีะเป็นกูเป็นของกูัวใครมาด่าว่าแล้วก็ไม่กระเทือนเพราะไม่รู้สึกว่าเขาด่ากูมันไม่มีตัวกูเป็นผู้รับคำด่าไม่ต้องชูตัวกูขึ้นมารับคำด่ามันก็เพราะมันไม่มีนั่นใจก็ไม่กระเพื่อมใจก็ไม่ทุก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 จนกว่าจะมีปัญญานี่มันจะรื้อถอนร่างเงาของความว้าวุ่นหรือความทุกข์ใจได้มันจะงสงบอย่างยั่งยืนให้เรารู้จักความความสุขประเภทนี้บ้างนะความสุขที่เกิดจากใจที่สงบนะอย่าไปรู้จักแต่ความสุขที่เกิดจากการเร้าจิตกระตุ้นใจ หรือว่าเกิดจากสิ่งเราทางตาหูจมูกลิ้นกายเท่านั้นให้รู้จักความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วก็ค่อยๆนะค่อยๆนะหาวิธีที่จะทำให้ใจสงบจากเดิมต้องอาศัยสิ่งว่าล้อมต้องอาศัยบรรยากาศมาสู่การที่สงบได้เพราะใจเพราะมีสติเพราะรู้จักทำใจรู้จักรู้ทันใจ รู้จักทาใจแล้วก็รู้เท่าทันใจเนี่ยรวมทั้งรู้เท่าทันสิ่งรอบตัวรู้ทันความจริงของชีวิตและโลกรู้ว่าลากเสื่อมลากของคู่กันได้เล่าเสื่อมลากของคู่กันได้ยกกับเสื่อมยึดของคู่กันสุขกับทุกของคู่กันนะ ขึ้นกับลงของคู่กันเจอแล้วก็ต้องจากพบแล้วก็ต้องพลามีแล้วก็ต้องหมดถ้าเห็นความจริงแบบนี้เนี่ยเวลามีก็ไม่ได้ยินดีมากเวลาหมดก็ไม่ได้ยินร้ายนะเวลาเจอก็ไม่ได้ไม่ได้สุขนะเวลาจากก็ไม่ได้ทุกข์ตนะอนนี้หลี่ยนะคือความสงบใจนะ ที่มันไม่ที่มันรู้เท่าทันที่เกิดจากการรู้เท่าทันธรรมดาของชีวิตและโลกอันนี้ก็เป็นเป็นปัญญาอย่างหนึ่งนะความเข้าใจความจริงของชีวิตและโลกซึ่งทำให้ใจนี้นะสงบได้ฟูนี่ก็ยังไม่สงบนะยินดีก็ยังไม่สงบนะไม่ต้อพูดถึงยินไล่หรือว่าแฝง แต่เมื่อใจเป็นปกติทั้งหลายถึงสงบแดงแท้จริงชาติพูทันนี้นะกรับ